Thank you. เป็นสุขผู้ที่เกิดมาในโลกเนี้ยเราเกิดมาเพื่อต่อสู้เพื่อจะได้มาซึ่งความสุขแตนขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต่อสู้กับชีวิตเพื่อที่จะให้เกิดการชนะความทุกข์หรือปัญหาการประพฤติหรือปฏิบัติธรรมเนี่ย การต่อสู้ที่ชนะได้โดยเด็ดขาดคือชนะปัญหาชีวิตของผู้ที่นําเอาไปปฏิบัติปัญหาหรือความทุกเนี่ยมันเป็นความหมายเดียวกันความทุกจะพูดว่าจะพูว่าความทุกถ้าทั่วปัญหาเดี๋ยวมันจะสับสนเอาความทุกไปกว่า ความทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจเคยไหมเคยดูว่าไม่สบายกายไม่สบายใจไหมมันมีในรู้ทุกคนแหละ <Hey. S 1> ที่ผมพูดนีพอพูดปั๊บนี่ให้นึกถึงตัวเราผู้ฟังเราชอบความแก่ไหมเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเรามีความทุกข์หรืความสุข ถ้าเรารู้ว่าเรานั้จะตายเนี่ยเราจะดีใจหรือจะเสียใจนี่แหละคือความไม่สบายทางด้านรางกายความทุกข์ถ้าเราต้องพลากพลาดจากคนที่เรารักเนี่ยเรามีความทุกข์ใช่ไหมเลวลาเราเกิคดความผิดหวังเรามีความทุกข์หรือความสุข เอาตู้ทั้งนั้นนี่คือความไม่สบายใจมีในคนทุกคนและการประพฤติปฏิบัติธรรมในการต่อสู้กับความทุกข์เหล่านี้ที่ชนะโดยเด็ดขาดคุณจะเล่าเรื่องชีวิตผมให้ฟังสั้นๆ ผมนี่เกิดมาในครอบครัวที่ลำบากแต่เป็นความลำบากที่มีกำลังใจบรรท้าทายกับชีวิตว่าผมที่โชคดีที่มีครอบครัวเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่และพี่น้องทุกคนเนี่ยรักและก็สามัคคีกัน ความรักความสามัคคีกันไปในครอบครัวเนี่ยเพรว่าเป็นสิ่งแวอล้อมที่อบอุ่นมากมันจึงทําให้เราเกิดมีกําลังใจในการที่จะเผชิญหน้ากับความลำบากทัางหลายเนี่ยทำให้เรามีกําลังใจที่จะเผชิญหน้าหรือได้พบเจอกับความลำบากทังหลในชีวิตคุณพ่อเป็นคนที่เข้มแข็งและก็อดทน พ่าคนี้รักความก้าวหน้าในชีวิตคุณแม่เป็นคนที่ใจดีใจเย็นเป็นคนขยันผมได้โชคดีโชคดีที่มีคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างนี้เราจึงสามารถที่จะเรียนหนังสือได้จบแล้วก็รับราชการความลำบากของชีวิต คือความขับสนเนี่ยทำให้เราเรียนได้สูงสุดแค่ปริญญาตรแต่เขารับราช ก, การเป็นครูสอนวิชาพระรา ศ, ศาึกษาชีวิตกำลังจะประสบผลสำเร็จอยู่แล้วกำลังจะมีความสุขอยู่แล้วกำลังสมหวังแต่ก็ต้องเกิดอปุปสรรคชีวิตจนได้ ถ้าดูฟังเนี่ยเคยเมีความสึกอย่างนี้ไหมเวลาใจเราเนี่ยเกิดความว่ตกกังวลในเรื่องใดก็ตามใจที่เกิดความว่ตกกังวลในเรื่องใดก็ตามเรื่องนั้นมักจะเกิดกับเรา <c oughs> สิ่งนั้นน่ะเรื่องนั้นเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับตัวเราเสมอเราเคยกลัวผีไหมเราเคยกังวลเรื่องผีจะลอกเราไหม คนที่กลัวผีเนี่ยมันจะโดนผีหลอกคุณไม่กลัวผีผีไม่หลอกอ่ะเราเคยไปโรงพยาบาลแล้วก็ถูกฉีดยาไหมเรากอนจะถูกฉีดยาเนี่ยเราเคยกลัวกลัวมันจะเจ็บไหมบางทีเวลาฉีก็ไม่เจ็บนะแต่คนกลัวเจ็บเนี่ยมันจะเจ็บมาก ผมเนี่ยกลัวความผิดหวังแต่ความผิดหวังก็เกิดขึ้นในตัวเราจนได้เมื่อมีใครมาแกล้งเราอุบัติเหตุเนี่ยว่ามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดจนได้นะแล้วก็กลัวเรื่องนี้กลัวว่าจะเกิดอุปัติเหตุกล <ừ ừ. S 1> ัวจะพิการกลวจะทางานไม่ได้ <ừ. S 1> แต่มันก็เกิดขึ้นกับเราจินเพรมีใครมาแกล้งเรา มันเก็ดึงนัวาเราไปสอนวิชาไหว้นว้ว mm hmm. กระโดดหน้าลงาไปศีรษะมีกระแทกพื้นกระ ด, ดูกตัวนี้หักเลยในร่าง ก, กายส่วนล่างเลยไม่มีความรู้สึกรู้สึกได้น้อยมากมีแต่อาการชาเป็นทั้งตัวควบคุมการขับถ่ายไม่ไดนะ้เป็นหวัดเฉพาะหัวไหล่แลวก็ศีรษะ ม, มือนี่ก็ใช้ไม่ได้ ผมใช้ชีวิตอย่างนี้มาเนี่ยสามสิบสี่ปีชื่อตัวเองไม่ได้ต้องมีผู้ช่วยเราไม่คิดว่าสิ่งตรงนี้จะเกิดขึ้นกับเรามันยากเบี้ยนะไม่เราทำใจได้มันไวเกินไปเลยต้องทนทุกข์ดิสภาพเนี่ยอยู่สิบหกปีประยะแรกมันเป็นฟันงี้เราคอเรื่องเศร้าเลย แต่ว่าช่วผมโชคดีที่ว่ามีคุณพ่อคุณแม่มีสิมรอดที่ดีเราจึงมีกำลังจิตกำลังใจที่จะอดทนกับสาภาพเช่นนี้ทุกทั้งกายทุกทั้งจิตใจร่างกายก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จิตใจก็ผิดหวังก็คิ ด, ค, ดคิดมากมคิดพุ๊บซ้านจนนอนไม่หล่ะในช่วง16ปีแรกแต่ว่า ในช่วงนั้นเนี่ยเราก็อาศัยที่มีคุณพ่อคุณแม่ไฟให้กำลังใจเราเนมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของเราเนจากคนที่มีความสุขกลายเป็นมีความทุกข์เลยจุดเปลี่ยนช่วงนี้เน่คุณพ่อเนี่ยนับถือพุทธศาสนาถ้าก็เอาหนังสือธรรมะมาให้เราได้อา่าน ธรรมะเนี่ยสอนสอนเรารู้จักวิธีคิดที่ต้องธรรมะ ส, สอนที่เห็นว่าเรื่องของความทุกข์ในตัวเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็สอนว่าสาเหตุของความทุกข์ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วบอกวิธีการแก้ปัญหาให้กับตัวเราเอง ผมก็ศึกษาธรรมะเนี่ยสิหกปีแต่ยังไม่ได้นำมาปฏิบัติการที่เราได้มีวิธีคิดจากธรรมะเนี่ยถ้าเรารู้จักยอมรับยอมรับความเป็นจริงของตัวเองได้แต่ไม่ใช่ยอมแพ้ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงกับสิบ่งที่เกิดขึ้นกเราจริงๆเนี่ยเราก็จะต่อต้าน มันก็เครียดการอยอารับความจริงทั้นเราสึดนี่มันผ่อนคลายพอใจมันผ่อนคลายเนี่ยมันก็เปิดวิธีคิดแบบใหม่พอใจเราดีแล้วเนี่ยความคิดดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราด้วยถ้าใจเราไม่ดีเนี่ยที่กังวลเนี่ยความคิดดีๆก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราพอใจดีก็เลยคิดว่าอ๋อเราจะ เรียนรู้กับชีวิตตัวเองเนี่ยเรียนรู้เพื่อจอยู่กับตัวเองให้ได้มันเปลี่ยนวิธีคิดแบบใหม่เลยไม่ได้คิดบวกเราคิดถึงความจริงที่มีขึ้นอยู่ในตัวเราคิดบวกก็ไม่ใช่คิดลบยิ่งไม่ใช่เราคิดถึงหลักความจริงของตัวเรา ใหม่ๆผมก็คิดเป็นลบเหมือนกันคิดถึงความลําบากถึงความไม่สะดวกสบายของตัวเองก็ทุกข์ใจจนนอนไม่หลับต่อมาเราก็เปลี่ยนวิธีคิดว่าอ๋อเปลี่ยนว่าเราจะอยู่กับสภาพอย่างเนี้ยหรือพัฒนาสภาพเนี้ยให้ดีขึ้นให้เป็นประโยชน์อย่างไรบ้างมันเป็นเห็นเป็นคนสําหรับตัวเรา โดยอาศัยหลักธรรมะในเป็นพื้นฐานอันนี้คือไม่ได้ยอมแพ้นะแล้วก็ยอมรับความจริงเราจะแก้ไขแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองซึ่งเมื่อก่อนผมไม่เคยช่วยตัวเองเลยให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเราตลอดเลยนะท่านก็เหนื่อยท่านก็ลำบากเราก็นอนหลับสบายเราก็เริ่มช่วยเหลือตัวเองเรื่องของร่างกาย เราช่วยเหลือตัวเองเท่ที่เราจะทำได้ส่วนจิตใจนั้นเราก็ช่วยเหลือจิตใจเราด้วยสายการปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมเพื่อทำให้จิตใจมันเข้มแข็งให้มีพลังให้จิตใจเป็นเข้มแข็งในสภาพร่างกายที่มันอ่อนแอา mm hmm. ก็สายการเจริญสติ นำประการเจริญสติเป็นหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันมืนน่นอนอยู่เฉยเนี่ยนอนนอนตนอนนั้นยังนั่งได้ไม่นานยืมเดินนี่ไม่ได้เลย ม, มีมือข้างเดียวที่ควรจะเคลื่อนไหวได้สะดวกการนอนพลิกมือเล่นรู้สึกรู้รตัวที่มอความรู้ตัว ให้ใจเราเนี่ยมันรู้อยู่ที่การขึ้นไหวของมือมารู้อยู่ที่การขึ้นไหวของมื อ, มอทนออตนี่จะปล่อยจิตใจให้คิดปุ้งรางให้ก็ับมาอยู่ตรงนี้มารู้ตรงนี้รู้ตรงนี้อลองทำทิ้งมือแล้วก็รู้แล้วความมือแล้วก็รู้ลองทำทไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดให้มารู้สึกรู้สึก ใจยอยู่ไหนใจยอยู่นี้หรือใจยอยู่นู้นก็นลองที่มือแล้วก็รู้สึกอเงี้ยเวลามันเมื่อยแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาทำมือซ้ายการจเจริญสิทธิเป็นการบริหารกายแล้วก็บริหารจิต ด, ด้วยนอนวันละ60ชั่วโมงเนี่ยทําอย่างเงี้ย60ชั่วโมงวันหนึ่งเมือ่อยก็เลยทำต่อ แล้วก็ใส่มารู้ลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลมไอจันก็มีการเคลื่อนไหวนะ<ม>เคลื่อนเขา้าเคลื่อนออกตรงไหนพอจะเคลื่อนไหวได้แล้วก็กลับมาใช้กลับมาใช้เคลื่อนไหวให้มีสติเข้าไปรู้<ไ>ผมนี่มันไม่ค่อยมีอะไรเคลื่อนไหวได้มากมายพอหมดมือแล้วมันก็เหลืองหน้าเราสิ น อ, อ, อ, อการกรพิบตาเนี่ยนอนแยกชิวเล่นทาเมื่อเอาสองค่ามาดวยมาตรงไหนขึ้นไหวได้ก็รู้ตรงนั้นอนะ่ะอยู่กันที่กระตัวนะจะได้ม่ร่องรอยไปคิดทนะุงซานนี่ก็ิ้นูก็ได้นะไอที่มันยากๆอ่ะสติ ด, ดีมากเราไม่เคยทำได้แต่เราไม่มีอะไรทำก็ทำได้เลยทำได้เหมือนกันนะไอที่ยากๆน ก, กลายเป็นง่าย ใช้สติเนี่ยมันวนไปทั่วร่างกายมันเรื่องทำไรก็เลยคิดท่าหาเรื่องหาเรื่องอยากเคลื่อนไหวห <c oughs> าเรื่องอยากเคลื่อนไหว <c oughs> เพื่อสติก็ไม่รู้ <c oughs> ก็ฝึกในการเคลื่อนตัวเองในการคลิกตัวมันในการช่วยตัวเองด้วยนะช่วยร่างกายให้มันเคลื่อนไหวได้บ้าง <c oughs> ให้มันตะแคงตัวเพราะว่าคนอย่างนี้นะถ้านอนอ น, านานเนี่ยมันจะเป็นแผล เวลาคุณพ่อคุณแม่ต้องมาพลิกตัวให้เราออก า, าไม่ต้องไม่ต้องเราทำเองถ้าแข็งก็ได้เปิดทานข้าวเองแล้วมีสติเข้าไปรู้ผภาพผ้าห่มเองแล้วมีสติเข้าไปรู้อาจจะทํำช้าๆแต่เราไม่ได้ทําให้เสร็จทําเพื่อจะทํา เรจะรีบร้อนไปไหนชีวิตของเรารีบตามไปก็เหนื่อยรีบทมไปเรื่อยๆเนี่ยเรารีบเพื่อจะไปสู่อนุภักข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันมีความตายรออยู่นะเราอยกประหยัดชีวิตโอ้มันความสุขอยู่ใกล้ๆมาเราไม่คิดอะไรเรามามีความสุขกับการพักผ่อนโอ้สุขแทรอชีวิตนะไม่ต้องสวยหาความสุขเอาข้างหน้า ค ว, นะวความสุขอยู่กับปัจจุบันนี้นผมเล่นดึงความสุขอนาคตมาใช้ปัจจุบันเอาความสุขจากอนาคตที่เรารออ ย, อยู่เอามาใช้ปัจจุบันทั้งหมดถ้ามีอนาคตสำหรับเราเราก็มีความสุขได้อีกเราคําถ่ายเราก็มีสติก็้าไปรู้การเคลื่อนไหวทุกอย่างของเราเนี่ยมันมีความหมายสําหรับเรามางเราได้บริหารกายแล้วก็บริหารจิตด้วยการ จเจริญสติในยิบจำวันเพราะเราทำบ่อยๆเข้าเนี่ยทำบ่อยๆตัวสติยิบจำเป็นบ่อยๆนี่ยมันยิ่งนะไม่รู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นผมเนี่พอัสสาวะไม่รู้สึกกุจรางไม่รู้สึกแต่พอเปิสติแล้วเราจะเริ่มรู้รู้สึกตัวเองมากเ พ, พราะปสาวะเราก็รู้ตัวอ๋อนี่เราปุมบปัสาวะแล้ ว, พพ ว, ลวมันรู้สึกว่าเรามีสติ ปว่สาะมีอาการอย่างนี้อย่างนี้เวลาอุจระมีอาการอย่างนี้อย่างนี้เวลามดกัดอยู่กับเราไม่รู้สึกเลยแต่นี้เรารู้สึกได้แต่ไม่รู้สึกเจ็บเรารู้ที่อาการที่มันแสดงเนี่ยนร่างดานเนี่ยผมไม่รู้สึกเมื่อยหรอกแต่ถ้ารู้สึกเมื่อยไหมเป็นทุกข์ไหมแต่ความเมื่อยรู้สึกเมื่อยแต่มันดีแล้วเนี่ยผมไม่รู้สึก ดีไหม mm hmm. ไม่รู้สึกเลยดีไหมบอกกันแบบว่าไม่เมื่อยไม่ปวดไม่เมื่อยดีนะปวดนี่ไม่ปวดไม่เมื่อยมันไม่ดีหรอกการปวดเมื่อยเนี่ยเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาดีแล้วดีแล้วที่ร่างกายเราเนี่ยมันปวดเมื่อยดีแลกดีแล้ ว, ลวถ้าใครปวดเมื่อยแล้วเป็นทุกข์เนี่ยมาเป็นอย่างผมเนี่ยเรารู้จักเรื่องของตัวเราด้วยการฝึกสติอยู่กับปัจจุบันมา่อตาเราเห็นสติทําให้เกิดสมาธิ ใจิตใจมันละเอียดเราอีกมันเห็นถึงความคิดอาการต่างๆนี้ในใจิตในใจเราไอ้ความที่ใ น, ในใจเราเนี่ยเราไม่เคยมารู้ทัน เ, เราเคยรู้ทันใจเราไหมเราเคยเกิดความโกรธไหมเราเคยเห็นความโกรธในใจเราไหมถ้าเราโกรธขึ้นมาแล้วก็โทษคนนู้นคนนี้ทําให้โกรธจริงๆบางทีเขาไม่ทําให้เราโกรธเลยเราโกรธเขาเองก็มีนะไปโทษแต้เขาโทษแต้เขา แต่เราตัวสำคัญคือความคิดในใจเราความวิตกกังวลการนอนไม่หลับความไม่พอใจต่างๆมันเป็นทุกที่ตัวเราทั้งนั้นแหละเราก็ไม่เคยเห็นเพราะเราไม่มีสติถ้ามีสติเราจะเห็นวนะ่าอ๋อนี่มันเกิดความโกรธมันเกิดความคิดขึ้นมาปั๊บถ้าเราไม่รู้ทันนะเราก็เข้าไปในความคิดเลย เอาความคิดเป็นตัวเราเลยยึดมั่นถือมั่นในความคิดแล้วก็ทาตามความคิดโกรธใครก็ไปทาร้ายเขาพูดตามความคิดที่เราก็ไปตอว่าเขาไปด่าเขาพอทำไปแล้วเกิดความเสียใจสมเราไม่น่าเลยไม่น่าเลยทัน แ, แก้ไขไม่ได้เกิดความวิตกกังวลต่าง เกิดปัญหานอนไม่หลับบางคนไปฆ่าตัวตายเพราะความคิดบางคนก็นอนไม่หลับเพราะวิตกกังวลนะฮะสาเหตุเกิดจากความคิด<ม>ที่อยู่ในใจเราเป็นทุกข์เระสิ่งเหล่านี้นะ่ะนี่หมายถึงความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดเพราะเรามีสติเราก็รู้ทันความคิดตัวเองเวลาคิดขึ้นมาเราก็รู้ทัน เรากลายเป็นผู้เห็นความคิดเป็นผู้ใช้ความคิดไม่ได้เข้าไปอยู่ในความคิดเนี่ยคือความคิดด้วยสติด้วยปัญญาเราไปเห็นจิตที่มันคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตโอ้อะไรอดีตอะไรวรกับอดีเราโอไม่น่าเลยเราไม่น่าเลยเราไม่น่าไปกระโดดน้ําเลยเราต้องรนีการเพอเราไปกระโดดน้ํา ซึ่งมันผ่านมาแล้ว ม, มันแก้ไขไม่ได้เคยไหมเวลาเราเคยทําความผิดเอาไว้แต่เมื่ออดีตเราก็ไม่อยากคิดนะเราอยากจะลืม อ, อยากจะลืมแต่มันกลับจําได้ไหมกลับที่จะจําขึ้นมาได้บางทีอยากจํากลับลืมเรทําความผิดไว้เราคิดไปแล้วก็เสียใ จ, จ ซ, ซึ่งมันผ่านไปแล้วแก้ไขได้ไม่ได้แล้วมันหายไปแล้ว เราคิดถึงมาดีไลไรก็มันกลายเป็นเรื่องจริงทุกทีบางทีเราก็อะไรเอาวรคิดถึงคนที่เรารักแล้วก็จากเราไปคิดทีไรเราก็เศร้าหมอถ้าไม่คิดเท่ากับไม่มีนะเชื่อไหมตอนเนี้ยใครเป็นใครเป็นนี่ใครอยู่เนี่ยถ้าเราไม่คิดว่าเราเป็นนี่ใครเราไม่ได้เป็นนี่ใครเลยนะความเป็นนี่เกิดจากความคิดว่าโอ้เราเป็นมันเป็นอดีตเลยนะ<ม>แต่เราก็ไปอะไรเอาวร ก็ทุ้มใจก็นอนไม่หลับคิดไม่ได้นอนไม่หลับบางทีเราก็ไปกังวลถึงเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจะมีความสุขไม่มีความทุกข์เราเราก็กังวลเรื่องอนาคตซึ่งยังไม่ยังไม่มาถึงเลยจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเป็นความฝ่ฝันเป็นความเพ้อฝันทึ่ยังไม่มีบางทีก็คิดเป็นทุกข์เป็นปัจจุบันอีกการบ้านเราไม่รวยบ้านเราอ้วนไปบ้าง เราแก่ไปบ้างถ้ามันคิดมันก็ไม่มีขึ้นมานะเอาความคิดในปัจจุบันอดีตอนาคตมันเกิดขึ้นเลยมันยึดมั่นคือมัน่นเป็นเรื่องของเราทั้งหมดซึ่มันก็เป็นทุกข์อนาคตมันไม่มีแนละ้วมันตึกกังวลในอดีตกังวลในอนาคตกังวลในปัจจุบันชีวิตเราไม่มีความสุขเลยมันคือความคิดทั้งนั้นแหละ ถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะรู้ทันไอ้ความคิดเหล่าเนี้ยเราไม่ได้เข้าไปคิดเราเปนผู้เห็นเวลาเราเกิดความโกรธเมื่อเกิดความเกิดความไม่พอใจขึ้นมาถ้าเรามีสติรู้ทันนะความไม่พอใจนั้นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเนีเหน็ดเหนื่อยกับกระวนกระวายกับไอ้ความไม่พอใจจริงจริงความไม่พอใจเกิดขึ้นมาเช่นความโกรธ พอเห็นปั๊บเรารู้สึกว่าความโกรธทาให้ใจเราเนหนื่อยต้องเขวายแล้วสักผักหนึมันก็เจะค่อยๆหายไปถ้าเราดูเฉยๆมันจะหายไ ป, ไ, ปไม่มีเลยมันหายไปเองตอนนี้ใครยังโกรธ อ, อยู่ไหมเม่ชายังโกรธ อ, อยู่หรือเปล่าแล้วนี่มันหายไปแล้ ว, วเพราะความโกรธนี่มันไม่มีตัวตนหรอกมันเป็นมา ย, ยาหลอกติดหลอกใจเรา มันเป็นเพียงแก้ความคิดเท่านั้นะถ้าไม่สติรู้ทันเจนว่ามันไม่มีตัวตนหรอกเป็นมายามีสติเนี่ยใช้รู้ทันและเกิดปัญญาแล้วเข้าใจมันมปัญญาคือความเข้าใจอ๋อมันไม่มีตัวตนอยจริงหรออะไรสิ่งที่หลอกลวงถ้าเราไม่มีสติแล้วไปคิดมั่นถือมั่นแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าเรามีสติเรารู้ทัน มันก็เกิดปัญญาอ๋อมันไม่มีตัวตนวมันก็ไม่ยึดมั่นถึงมัน่ น, นเนี่ยกายเจริสติกเนี่ยทาให้เรารู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นรู้เรื่องของกายรู้เรื่องของจิตใจเพื่อแก้ปัญหาตัวเองได้อความพิการเป็นเรื่องของกายใจมันก็ไม่ได้เข้าไปปิ้กายด้วยก็ ล, ลาออกจากความพิการ มีการของกายเร็นลมฟอมไม่สะดวกแต่ใจไม่ได้มีกายก็สบายก็กินกินอิ่มนอนหลับขับถายสะดวกชีวิตเปลี่ยนผมเปลี่ยนเพราะเรามาเจอสตินี้ผูจาวันนี้แหละผูเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่ปุดดีแล้วเนี่ยนำสุขมาให้นี่คือปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาที่เรา ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมปัญญาพู้เจ้าเนี่ยสามารถดับทุกข์ได้แก้ปัญหาชีวิตได้พอความทุกข์มันหายไปแล้วก็มีความสุขปรมานแนที่เหมือนฟ้าหลังฝนนะพอฝนตกนี่ก็แหละดูมันมืดดำ<ม>พอฝนหายก็สบายไมเสียงนลกรล้องเรีงเลยนะปัญญาทางโลกโลกเนี่ยที่เราเรียนมาสูงสูงยนะ ก็เพียงแค่เรามีอาชีพให้รู้จักเทคโนโลยีมีอาชีพแต่บางที่มันดับทุกไม่ได้เป็นปัญญาห า, หาข้าวกินคนเรียนสุ่สูงบางทีก็ยังนอนไม่หลับเลยคนเรียนสุ่สูงนี่ก็เป็นโรคจิตโรคประสาทบาพคนฆ่าตัวตายเลยมีแค่ปัญญาทางโลกยังไม่พอ ต้องมีปัญญาทางธรรมปัญญาพระเจ้าคู่กันไปคุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเนี่ยปัญญาของพระพทจาคือการเจริญสติในยิมประจําวันนี่แหละการเจริญสตินี่ไม่ใช่เรื่องยากมันง่ายในที่นี้ทําได้ทุกคนเด็กก็ทําได้ผู้ใหญ่ก็ทําได้คนแก่ๆ ก, ก็ทําได้ คนป่วยเพื่ิการก็ทําได้นับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาก็ทําได้ทั้งนั้นเป็นหลักสาคนทําได้ทุกสถานที่ทุกเวลาุกเว้นเวลาหลังถ้ามีการเคลื่อนไหวถ้าใจรู้เป็นการเจริญสติแล้วกับผิปตาก็มีสติแล้วกลืนน้นําลายเราลำคอแล้วรู้สึกตัวก็ใช้ได้นะแล้วเวลาใจมันเกิดความอยากได้ สติรู้ก็เป็นการปฏิบัติรทำเวลาเกิดความโกรธสติรู้ทันมันก็เป็นการปฏิบัติท ำ, ททำใช้ได้นะง่าย ไ, ไม่ใช่เรื่องยากเพราะฉะนั้นถ้าท่านเนี่ย<ม>ชีวิตยังมีปัญหาอยู่<ม>ยังหาความสุขไนชีวิตไม่ได้เราเอาการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยมาใช้กับตัวเราดูสิมันเป็นการแก้ปัญหาชีวิต และทำชีวิตที่มีความสุขได้